ขอถามเป็นการทำสมาธิขั้นพื้นฐานนคะคะมีคนสอนหนูต่างกันสองคนนะคะคนแรกสอนว่าการทำสมาธิเนี่ยให้ทำประจำทำทุกวันแต่วันละแค่สองนาทีพอ แต่เวลาไปปฏิบัติธรรมฝึกจริงๆเนี่ยพาท่านให้นั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนุ้ยอยากรู้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ที่ถูกต้องในการเริ่มต้นในการทําสมาธิค่ะหลวงปู่จูมพันธุโลที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่เรานับถือท่านได้ถามหลวงมมปู่ม่านเพื่ละโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสมาธิเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีสมาธิพระ อ, อาจาร ย, าย์ใหญ่ตอบว่ายัางไง อย่าดูที่สมาธิให้ดูว่ามีสติอยู่ไหมถ้ามีสติอยู่นั่นแนะก็จะมีสมาธิหลวงปู่คำตันที่ตาจมโมพระหาารที่เป็นโมแมกวอาจารย์เราที่หลวงปู่อ่อนสาสุกโลให้เราไปหาท่านเจ้หน้าเราท่านพูดเลยว่าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติมีสมาธิมีปัญญามี เจองตามหาบัวยารสปโน rolls. สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพานิพานเจปปอหลวงปู่ทาจารุตโมก็อาจารย์ท่านว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ซื่อรู้จิตซื่อจิตเป็นอย่างนี้อย่าอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่าอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นกิเลสเป็นทางตรงข้ามพานิพาน ไม่พึงดำเนินรู้ซื่อรู้จิตซื่ อ, ๆๆอนี่แหละทางแห่งพวานาิพพานสติอันเดียวก็ไม่หลายสติอันเดียวสตินี่คือความรู้ตัวแต่ว่าสมาธิคือความตั้งมั่นถูกไหมคะให้ให้ใช้สติจริ <ๆ S 1> งตั้งนา น, นะ <ๆ S 2> หนูเมื่อเคยถูกสอนว่าสมาธิคือความตั้งมั่นแต่ว่าสตินี่คือรู้ตัวเมื่อกี้อธิบายไปตั้งสัมปชัญญะตั้งสติตั้งสมาธิตั้งปัญญาเดี๋ยวหนูไปได้ฟังนะหนูฟังค่ะแต่ว่า ท, ที่หนูเข้าใจ<น>ถ้าแปลเป็นเป็นภาษาไทยเนี่ยสติคือรู้สมัมปชัญญะนี่คือความความรู้ทั่วใช่ไหมเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาที่หนูเข้าใจหนูลองอธิบายที่ว่าสมัมปชัญญะคืออะไรสติคืออะไรสมาธิคืออะไรคือปัญญ า, าคืออะไรเอาที่หนูเข้าใจดี่ว่า เพราะว่าหนูฟังหนูตาแล้วหนูอาจจะไปเป็นของหนูแล้วไม่เข้าใจเอาที่เอาของหนูเองอ่ะสติสติคืออะไรสําหรับหนูก็คือการการรู้ตัวรู้ตัวสติการรู้ตัวรู้ตัวอย่างไรรู้ว่าคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ค่ะอสมาธิคือรู้แค่คิดว่าคิดคิดรู้ว่าคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ค่ะอันนี้เท่าที่หนูเข้าใจนะคะเรียกว่าสติค่ะอสมาธิคือการมีจิตตั้งมั่น สมาธิคือการที่มีจิตตั้งมั่นอยกจะเรียกว่าตั้งมัม่นเพ่งในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั่นเป็นสมาธิเพ่งในสิ่งที่เราก็ทําอยู่เจตก็ทําอะไรอ ย, อย่างเช่นทํางานอาจจะต่อตัวต่อหรืออะไรสักอย่างเราก็มีสมาธิเพ่งอยู่กับการต่อตัวต่อ น, นั้นอันนั้นคือสมาธิในความเข้าใจของหงงงนูนะคะส่วนปัญญาคือค อ, อย่างเจตเราทํางานก็คือเพ่งในงานนั่นแหละนี่เรียกว่าสมาธิ อันนี้เป็นเป็นสมาธิในงานเฉยๆนะไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้ทําให้คนทุกข์เป็นสมาธิในงานเฉยคนทั้งหลายก็ต้องมีสมาธิในงานไม่มีสมาธิในงานทํา ง, งานปีป่ปิดประป้ปปปาโ ด, ดไนไล่ออกหมดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิเป็นเป็นมสมาธิโลกส่วนปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารที่เขาที่เคยเข้าใจนั่คือปัญญาทําไมหนูไปแยกสติแยกแล้วสอบปัญญา สัมปชัญญะกับสติมันใกล้กันจ๋นุแยกไม่ออกเด็ดขาดเหมือนกันหรู้แยกแบบนี้หนูเอามาปฏิบัติไม่ได้นะมันมันไปอยู่คนละทีศละทางนะหนูเอาสมาธิไปไว้กับงานที่ทําเอาสติมารู้กับความคิดเอาปัญญามาพิจารณาสังขารหนูทำไมมันแยกกันคนละทิศละทางไปไว้อย่รางเงี้หนูรู้ปฏิบัติยังไงอย่างเงี้ยถ้าปัญญามาพิจารณ า, าร่างกายก็ต้องมีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะ มีปัญญาอยู่กับพิจารณาร่างกายเนี่ยมันต้องอยู่ที่เดียวกันพอพิจารณามีปัญมันหนูมองพิจารณาจิตเห็นจิตไม่เที่ยงหนูก็ต้องมีมีสัมพัั ญ, ญญาในการมาใช้พิจารณาจิตแล้วก็มีสติมาพิจารณาจิตมีสมาธมาิมาอยู่กับจิตมีปัญญามาเห็นความเป็นจริงของจิตมันต้องอยู่ที่เดียวกันนี่ทุกข์กับปัจจุบันทำไมมันไปแยกส่วนอย่างนั้นเลยแต่เงี้มันจะปฏิบัติยังไงอ่ะือ ใช่ไหมล่ะรูไปแยกไปคนเราส่วนที่ไปอยู่กับงานสมาธิไปอยู่กับงานสติไปอยู่ที่ปัญญาไปอยู่ที่อื่นมันไม่บรรลุมกันนะสติสมาธิปัญญาสมาติสมาธิปัญญาต้องรวมเป็นหนึ่งเข้าใจไหมเนี่ยอเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นูไปเรียนเนี่ยมันะเยอะแสดงว่าตอนพูดเนี่ยหนูไม่ฟังเลยหนูแต่คิดในเรื่องของหนูเนี่ยเนี่ยคือไม่มีสติแต่ปัญญาจริงๆเลยไหมเราพูดแล้วนี่ไงพอแต่เราพูดจบแล้วถามแล้วไม่เหมือนเลยไม่ปแล้วก็เอาไปคิดของตัวเองหมดเลย อันนี้ไม่มันไม่มีสัม ป, ปชัญญะเนี่ยเราบอกเราปรแปลได้หมดเลยแต่เอาข้อจริงอ่ะใช้ชี่ประจําวันไม่ถูกเลยสัมปชัญญะต้องฟังรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรเขาพูดว่าอะไรอยู่ได้รู้เรื่องหมดเลยเออแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วก็หยิบไห ม, มาเอยทําไมไม่เหมือนกับที่หนูเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องเมื่อกี้ตุ๊กตาพูดอย่างนี้หนูเป็นอย่างนี้แล้วมันมาเรียบเทียบยังไงแล้วก็หนูอาจารย์ตุ๊กได้ถามแล้วก็หนูเนี่ยมันจะพ้นทุกตรงไหนมันจะพ้นทุกอย่างไงก็ถูกเข้าใจอย่างนี้ทำอย่างเงี้งยก็ได้คุยกันได้กัน ฟังจบแล้วตั้งแต่เรม่ไคุยเปรียบเทียบกันแล้วก็ได้อธิบายให้ฟังว่าอย่างของหนูที่พูดเนี่ยมันมันควรอยู่กับทิตฐาทางมันไม่พ้นทุกข์อเข้าใจไหมถ้าหนูจะพิจารณาร่างกายหนูก็ต้องเอาเนี่ยหนูบอกว่าเพง่งสมาธิเป็นเพ่งหนูก็เพ่งทีร่างกายอย่าหลุดไปตัวตีก็จดจ่อไว้ตัวคุมจิตเนีมันรู้เรื่องในเรื่องของกายที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนปป่าน ป, ป่อยผุพังเน่าน ป, ป่อยผุพังเน่าเ ป, ปื่อยผุพังสลายเป็นดินน้ำลมไฟไปสมาธิก็ เราบอกว่าตั้งมั่นออแปลว่าตั้งมั่นออได้แล้วแต่ใครจะแปลอะไร อ, อสมาธิว่าแปลตั้งมั่นไ็อิจฉามันที่มันตั้งมั่นอยู่ที่กายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนอกปุ๋ยภูฟังสลายไปส ต, ติส ต, ติบอกว่ารู้ตัวชัดอะไรสติบอกอะไรนะสติบอกว่ารู้ตัวตั้ความคิดความรู้ตัวระลึกได้ค่ะระลึกระลึก you, รู้ตัวประมาณนึงก็สติเนี่ยก็คือรู้ตัวระลึกได้ว่าเนี่ยพิจารณ์อยู่นั้นอยู่การพิจารณ์กายนะอย่าไปอย่างอื่นนะ S <S เนี่ยสติรู้ตัวระลึกได้ว่าเนี่ยอยู่กับการวิน า, ารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่าไปยังอื่นนะแล้วปัญญาอะไรปัญญาเห็นกองฟังขานไม่เที่ยงเอาปัญญาก็อยู่เรงนี้กัดติดจดจอดจอด จ, จ, จ, จอกัดติดมาทั้งวนันทั้งคืนทั้งวนันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนอเอ็มอยู่ตรงนี้แน่ะสัมชัญญาไปว่ารู้ตัวไรู้อะไรรู้ตัวทั่วพร้อมก็เนี่ยพิจารณาด้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาว่าอยู่เนี่ยกําลังพิจารณาอยู่นะไม่ได้ไปเรื่องอื่นมันก็เลยเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็เลยรู้แจ้งออกมาได้ แต่พิจาณจิตมันก็ต้องมีสติตมาที่ปัญญามีสัมปชัญญะอยู่ในการพินารจิตรู้แจ้งเป็นหนึ่งเหมือนดังดาบเพชรเนี่ยไม่จะไปแยกส่วนกันอย่างนี้เหมือนกระบี่เดียวฟันขาดสะบั้นถ้าถ้าอย่างนั้นก็คือกลับไปทีแรกก็คือระยะเวลาในการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะจำเป็นต้องสั้นหรือว่านานแค่ไหนไม่จําเป็นแล้วแต่คนหรือเปล่าคะมันอยู่ที่อะไรอ่ะอยู่ที่สติถูกต้องถ้ามีสติ ตอนไหนมีสมาธิมีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอยู่ที่หนูมีสตินั่งสมาธิมีสติไหม <c oughs> เดินจงกรมมีสติไหมไม่ได้อยู่ที่เวลา <c oughs> ถึงอธิบายยังไงมันก็เข้าใจไม่ถึงใจปนมือข้างไว้งเงี้ยนี่ไหนคือสติสมธามธิปัญญา คือสติและสมาธิคือสัมปชัญญะไม่ได้แยกอะไรจากกัรในใจไม่คิดว่านี้คือสติไม่คิดว่าอะไรเป็นสัมปชัญญะไม่คิดว่าอะไรเป็นสมาธิไม่คิดว่าอะไรเป็นอญไาไม่มีธรรมะธรรมโมในนั้นไม่มีสมมติปัญญัติไม่มีธรรมเพราะใจไม่คิดถึงโลกไม่คิดถึงทําอะไรเลย ไม่มีอะไรในนั้ น, น, นเลยหยุดคิดหยุดกิริยาจิตหยุดปรุงแต่งหยุดอยากรู้อยากเหตุอยากได้อยากเป็นหยุดอยากเข้าใจไม่เอาอะไรเลยแม้แต่ความอยากที่จะเห็นอยากจะเข้าใจอยากที่จะเป็นแม้แต่ความอยากจะชักเข้าใจเจ้ตัวก็จะตอบได้เลยว่าใจของตัวเองเป็นอย่างไรใช่ไหม แนี้เนี่ยเราจะเอาอะไรเรจะรู้รู้ไปทําไมดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่เกี่ยวสกับสถานที่ที่เราจะไปทําไม่เกี่ยวกับลูกหลานไม่ได้เกี่ยวใครเลยเกี่ยวกับใจของเจ้าของในปัจจุบันเท่านั้นเองไม่มีสมมุติบัญญัติติธนวะไม่มีแม้แต่พุทธเจ้าในนั้นไม่มีแต่พระธรรมไม่มีแต่พระรันไม่มีอะไรเลย นี่นะที่หลวงปูด่ดูนะตุโลว่าเราปฏิบัติมาทั้งหมดเพียรมาทั้งหมดก็เพื่อมาถึงจุดนี้มหาสุญญาตารอจักกวานเดิมมหาสุญญตาือจักกวานเดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีผู้มากราบทูลถาม พ, าววาพระพุทธเจ้าว่าพพระพุทธเจ้าอุสาหทอดทิ้ง ราชบลาลังมาทอดทิ้งครอบครัวถอดทิ้งทุบัตรทุกอย่างทอดทิ้งทุกอย่างมาจนมาตัดสัลูเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อะไรพระพุทธเจ้าได้อะไรพระองค์ตอบอยังไง ร, รู้ไหมไม่ได้อะไรเลยแลกกับที่สูญเสียมาทุกอย่างสิ่งสุดท้ายที่พระองค์ได้คือ ไม่ได้อะไรเลยนั่นแนะคือสูงสุดแต่พระองค์ตรัสว่าไม่ได้อะไรเลยแต่บอกได้ว่าอะไรหายไปความทุกข์หายไปกิเลสอันหาหายไปไม่ได้อะไรเลยแต่ความทุกข์หายไปในบัด น, นี้เลย กิเสก็หายไปใน บ, บนัดนี้นั่นแหละความเป็นพุทธเจ้าความเป็นพุท ธ, ธมีอยู่และในใจของคนทุกคนในพุทธเจ้าในพระอาหารหันต์ในพุทุชนในจดเดลฌานต่างหดความเป็นพุทธไม่ได้หมายถึงพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธลูกเลยคือใจที่ว่างเปล่าจากความยึดตั้นถือมันว่างเปล่าจากความทุกข์ความเดัดร้อน ความปลาจากกิเลสทั้งหดไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถือแม้แต่ความว่างเปล่านั้น <c oughs> เพียงแค่ได้รู้ได้เห็นว่าเป็นเช่นนี้เอง <c oughs> ตันนี้อยากถามอะไรก็ถามได้ถามเลยค <c oughs> ่ะ <c oughs> เห็นหั้ยที่ลวงตาบอกแล้ว ไม่พุทธเจ้าตัดว่าเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังเจ้าตัวรู้ได้เลยตัวเองนะไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละคือสูงสุดไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยยุดปุงแตง่งยุดกิริยาจิตหยุดการแสวงหาที่ท่านใช้คำว่าเปล่าเปล่าบริสุทธ